5. สมุดฐานวาระวาระว่าด้วยสมุดฐาน 1. ปาราชิกกันคำถามคำตอบสมุดฐานอาบัติในปาราชิกกันปาราชิกสิกขาบทที่หนึ่ ง, งาถามอาบัติเพราะการเสพเมถุนธรรมเป็นปัจจัย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 เจ็ดเสขียกันคำถามคำตอบสมุดฐานอาบัตในเสขียกันละเจ็ดปาทุกวักละสิกขาบทที่สิบห้าถาม อาบัตเพราะความไม่เอ <pueden ser. S 1> ื้อเฟื Entonces, ้อทายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานเท่าไรตอบอาบัตเพราะความไม่เอื้อเฟื้อทายอุจจาระปัสสาวะหรือบ้วนน้ำลายลงในน้ำเป็นปัจจัยบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือ